บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปและกล่าวถึงเรื่องมารทั้งห้าประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะได้มาโดยลาดับมารเหล่านั้นแม้จะมีการจาแนกแสดงออกไปจนถึงห้าประเภทด้วยกัน แต่พึงเข้าใจว่ามูลฐานสำคัญของความเป็นมารก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองในกรณีที่กิเลสเป็นมารงก็คือกิเลสตัวนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะปรักดันจิตใจของบุคคลให้แปรผันไปตามอำนาจของตนมีการกระทำบ้างการพูดบ้าง หรือแม้แต่ตัวความคิดเองไปตามนาทของกิเลสเหล่านั้นลักษณทุจริตต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเป็นผลของการทำชั่วทำผิดก็จะติดตามมาโดยํำดับและจะมีผลต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงสังสารวัฏวันเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโทษของกิเลส ในระดับต่างๆไปถึงช่วงหนึ่งพระสงฆ์ใช้คำว่าเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงทุกขติวินิบาะนรกกสุรกายซึ่งแสดงเห็นว่าอิทธิพลอำนาจของกิเลสนั้นไม่ได้ให้โทษแก่บุคคลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังให้โทษในสังสารวัฏอีกด้วย จะก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในลักษณะต่างๆ ต, ตามความรุนแรงของกิเลสเพราะความรุนแรงของกิเลสนั้นเป็นความรุนแรงนําไปสู่ความรุนแรงของกรรมซึ่งก็หมายความว่าในช่วงนั้นมันก็กลายเป็นมารอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าอาภิสังขารมารมารคือบุญคือบาปโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็หมายถึงบาป ที่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆซึ่งคนนี้ผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ด้วยใจของตัวเองว่าอาการของความโลภความโกรธความหลงความริษยาอาฆาตต่างๆเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในใจเราแต่ละครั้งบางครั้งมันก็ออกมาแค่ความคิดเท่านั้นเองแล้วก็ดับไป แสดงให้เห็นถึงปริมาณของกิเลสในช่วงนั้นในขณะนั้นไม่มากจึงตั้งอยู่ภายในจิตไม่ได้นานแล้วในสุดก็แปรผันไปแต่บางครั้งก็รุนแรงออกมาจนถึงพูดออกไปทางวิจาแต่ในสุดก็จบไปคือไม่ได้กระทาอะไรรุนแรงออกไปทางกายแต่บางครั้งก็ออกมาครบหมดทั้งกายทั้งวิจาทั้งใจ เป็นอาการของกิเลส ท, ที่มีความต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าแต่ละช่วงนั้นถ้าจะดับเส็จในช่วงใดช่วงหนึ่งความรุนแรงเขาก็ยุติยุติในช่วงนั้นในระดับนั้นฐานะสาคัญก็คือการมองเห็นโทษของกิเลสปรจักแจ้งแก่ใจโดยเพียรพยายามลดละบรรเทาความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นลงไป คือแนวาการปฏิบัตินั้นก็คงใช้ตามโครงสร้างของส ม, ามมาวยามะคือส่วนใดที่ยังไม่เกิดก็พยายามป้องกันเอาไว้ทพิพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าสังบอนคือสํารวมระวังเอาไว้ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดที่เกิดแล้วก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ถึงกว่า น, นี้พึงสังเกตว่าถ้าปฏิบัติในส่วนที่เป็นรายละเอียดเช่นปฏิบัติระดับของกรรมฐานแล้วก็ตรวจสอบรู จ, จิตของตนในแต่ละขณะเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มองเฉพาะจุดเป็นการเกิดของกิเลสแต่จะมองสืบเนื่องไปถึงต้นเหตุของกิเลสเหล่านั้น ฉันสมมติว่ความพยาบาทมันเกิดขึ้นภายในจิตก็ดูว่าเมื่อก่อนคือขณะก่อนในช่วงก่อนจิตยังไม่มีพยาบาทแต่ในขณะนี้จิตมีพยาบาทเกิดขึ้นพยาบาทนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงก็สืบสาวไปถึงต้นเหตุแต่ในสุดเมื่อเจอเหตุแล้ว เราศึกาถึงวิธีที่จะลดที่จะละที่จะบรรเทาจนหนึ่งจะดับความพยาบาทเดียวนั้นทีนี้กา ร, ราลดละบรนเทากิเลสนั้นที่จริงเราก็ทํากันได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการทําได้ชุ่ครั้งชุ่คราวบางครั้งทําได้บางครั้งทําไม่ได้ถ้าดูไปอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่า <c oughs> ที่ทําได้นั้นคือกิเลสมันไม่แรง ไ่ทําไม่ได้คือในช่วงนั้นกิเลสมันแรงหรือถ้ามองอีกทีหนึ่งก็คือในช่วงนั้นธรรมะเราน้อยถ้าก็าธรรมะมากแม้กิเลสมากก็จะต้องต่อสู้กั้มกึ่งกันจบโอกาสที่จะธรรมะธรรมะจะชนะมันก็มีได้โอกาสที่กิเลสจะชนะนก็มีได้เพื่อนช่วงในการต่อสู้กับอานาจของกิเลสเหล่านี้ การลดละความรุนแรงของกิเลสก็ทำได้ระดับหนึ่งเสมอเพียนแต่ว่าบางทียุติลงไปไม่ได้ยังมีความคุกรุนเช่นสมมติว่าเราตัดกระแสขนาดความโกรธโ ด, ดยการพูดคำหยาบออกไปหรือการกระทำด้วยกายออกไปแต่ภายในใจยังมีสิ่งที่เรียกอุปนาหะคือผูกโกรธอยู่ ความโกรธในระดับนั้นไม่ถึงกระทําลายใครแต่ก็เป็นมโนโทุจริตคือเป็นมโนกรรมความร้อนร้อนนั้นจะปรากฏแก่จิตของคนที่ผูกโกรธไว้เท่านั้นาการมองเห็นโทษ ก, ก็ต้องมองมาดูที่จิตให้เห็นว่ายังมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่หรือไม่เพระนั้นเจ้าจึงทรงสอนให้ดูว่า ก, กิลเลสเหล่านี้ที่รับไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยวิธีใด ก็ต้องศึกษาหาวิธีเพื่อจะแก้ไขอย่างถาวรจริงๆเพราะในทีสุดก็สงวงขั้นตอนการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติแกิดมาแต่ในชีวิตประจำวันก็อาจจะใช้เพียงแต่ว่าดูจิตในแต่ละขณะพอเกิดอารมณ์ที่เป็นความรุนแรงก็ลดละบรรเทาลงไปหรือข่มใจเอาไว้ด้วยธรรมะขอดขหนึ่ง ถึงในแนวของการปฏิบัตินั้นผึงสังเกตว่าบางครั้งจะไม่พูดถึงกิเลสแต่จะรับสั่งเฉพาะสนยนของธรรมะแต่เมื่อธรรมะได้เกิดขึ้นภายในใจิตใจแล้วจะตัดรอนบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงไปโดยดั่ๆถึงแม้จะมีก็แสดงอาการอะไรไม่ได้ถึงได้ก็ไม่ค่อยจะรุนแรงคงจะเป็นแค่มโนกรรม แต่ว่ามโนกรรมก็นําความเศร้าหมองนําความขุดมัวทางใจให้บงังเกิดขึ้นพระฉะนันทั้งหลายจินว่ากรรมจะแรงหรือไม่แรงพูดง่ายๆว่าอภิสังขารมานจะมีอิทธิพลมากหรืออิทธิผลน้อยนั้นอยู่กับกิเลส ท, ที่มีกําลังมากหรือกําลังน้อยถ้ากิเลสมีกําลังน้อยการกระทําก็จะเป็นบุญมากกว่าบาปถ้ากิเลสมีกําลังมากกาทําการกระทําก็จะเป็นบาปมากกว่าบุญ ซึ่งสามารถสังเกตได้ในช่วงสั้นๆคือเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรืออาจจะเป็นในหลายวันที่กลายเป็นพฤติกรรมถาวรซึ่งเราเรียกกันว่าคนดีคนชั่วหรือคนผ่านบัณฑิตนั้นที่จริงก็เป็นการสะท้อนธรรมะออกมาให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมคนที่เป็นบัณฑิตนั้นหมายความว่ากิเลสน้อย การกระทาของท่านจึงเป็นบุญมากกว่าเป็นบาปภาพลักษณ์ของท่านจึงปรากฏเป็นคนดีที่ยอมรับและถือยกย่องของบุคคลกันหนาอภิสังขารมารก็จะบันทอนตัดรอดอะไรท่านไม่ได้มากเพราะว่ามารไม่มีกำลังถ้าการที่มานไม่มีกำลังที่จริงมันสืบเนื่องมาจากกิเลส ท, ที่ไม่มีกาลัง ส่วนคนผ่านนั้นก็คือคนที่มีกิเลสมากการกระทาเขาก็เป็นความชั่วเป็นบาปเป็นอกุสุมากมีความต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับรู้เห็นของบุคคลทั้งหลายว่าคนนี้เป็นผ่านบางคนประเภทนี้แสดงว่าถูกอภิสังขารมาในครอบงำมากดังนนหมายความจริงๆก็คือกิเลสเขามากนั่นเอง ดังนั้นส่วนของอภิสังขา ร, รปานมานคือบุญบาปประเนินชานั้นโดยเฉพาะเอาพูระดั บ, บป่าไปก่อนมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับกิเลสคือถ้ากิเลสมากพวกนี้ก็จะเป็นมานมากกิเลสน้อยพวกนี้ก็จะเป็นมานน้อยประการต่อไปนั้นคือขันธมานมานคือเป็จะขันธ เป็นยักษ์รนั่นคือรูปเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณพูดง่ายก็คือคนคือสัต ว, คตว์คือสิ่งของต่างๆสิ่งของนั้นมีขันไม่ค่อยครบโดยเฉพาะคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่แน่ชัดก็มีเฉพาะรูปประคันแต่ขันเหล่านั้นที่จริงมันก็สัตว์แต่ว่าขันอย่างที่พระเจ้าทรงสอน ให้บุคคลพยายามใช้ปัญญาพินิษพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในแต่ละขณะของอารมณ์ที่ตนได้สัมผัสในขณะนั้นๆบางครั้งก็จงสรงใช้คำว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สัญญกแต่ว่าสัญญ า, ญญ า, ญญาเป็นต้นแต่การมองได้ระดับนี้ที่จริงแล้วผู้สังเกตว่าเชื้อส่วนหนึ่งนั้นเรามีอยู่ภายในใจแม้ความมีรูป เวทนาตัญยตัณขันวิญญาณเป็นนั้นมากที่เรามองสักแต่ว่าแต่สิ่งเหล่านั้นก็ตกไปจากใจไม่ได้มีอิทธิพลจะครอบงำใจเราได้แต่ประการใดจะรูปคนสัตว์สิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราก็มองแล้วก็เฉยๆเพิ่นความแปรผันของสิ่งเหล่านั้นจะไปในด้านเสื่อมหรือด้านเจริญก็ตามก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราแต่ประการใดแต่สิ่งที่มีอิทธิพลนั้นก็คือ ขันที่เราไปยึดถือโดยความเป็นของเราโดยความเป็นเราหรือโดยความเป็นตัวเป็นตนของเราที่สร้างปัญหาแก่จิตใจเรามากก็อยู่ที่ขันกลุ่มนี้ไม่ใช่ขันกลุ่มอื่นขันที่เรามีความรู้สึกว่าเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราพู้งง่ายว่าคนสัตว์สิ่งของที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นของเราหรือเป็นเราหรือเราเป็นจากนั้นอย่างนี้ หือเป็นตัวเป็นตนก็เราเป็นต้ น, น, ตนในจุดนี้จึงส่งสอนให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์เพราะว่ามันเป็นมานขึ้นมาได้เนื่องจากใจไปยึดถือดังกล่าวถ้าใจไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นมานอะไรแต่นันย่างที่ส่งสอนเอาไว้ให้บุคคลพิจารณาถึงความจริงว่า การต่างงานนั้นที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีปฏีบก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขารล่านี้เันที่จริงมันก็สักดิ์ศรีวัคคันทำไมจึงทรงสอนครอหมดทั้งสามการเพราะว่าใจของคนปุคคลเราต้อจะสายหมายความเมื่อไม่พอใจปัจจุบันก็จะไปคว้าอนาคตหรือว่า ไปเพ้อฝันถึงอดีตซึ่งก็มีอยู่ทุกลักษณะของอารมณ์ถึงตังเกตว่าคนยากจนนั้นจะเล่นหวยมากแต่ใช้ชีวิตยอยู่ในโลกของความขวัญหรือให้เลืมลื่นเรื่องเานี้ไปตองการซื้อหวยเนี่ยค น, นนั้นก็ฝันว่าจะถูกหวยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพราะอไรเพราะไม่ยินดีในปัจจุบันแกจึงค้าอนาคต ตัวก็อยู่ปัจจุบันจริงๆแต่ว่าใจนั้นอยู่หนักพวางแผนรับเงินจ่ายเงินไปเที่ยวสนุกสนานก็เพลิดเพลินกันไปก็จะอยู่ในโลกของความฝันมากกว่าโลกของความจริงคนที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปใจก็จะกระหวัดเข้าไปหาอดีตมีความกําหนัดเพลิดเพลินยึดติดอยู่กับอดีตอดีตนั้นมันก็กลายเป็นมารในความขันในอดีตเนี่ยก็กลายเป็นมานขัด วางบุคคลเท่านั้นเอาไว้แต่บางทีปัจจุบันมันก็ดีมีลาภยศสันเสริญความสุขเพียบพร้อมด้วยประการต่างๆคนก็เพลิดเพลินอยู่ที่ปัจจุบันบางครั้งเพลิดเพลินมากไปจนลืมเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆเกินบางครั้งสนุกสนานกันจนเกิอดอุบัติเหตุเป็นต้น น, นลองสังเกตดันั้นจิตในขณะนั้นที่จริงอยู่กับปัจจุบัน แต่อยู่ด้วยความกำหนัดเพลิดเพลิเระงหลงจนถึงลืมเลือนเลอะเลือนหายไปเพราะการมองเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ต้องมองให้หมดทั้งสาการไปจริงแล้วมันก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันเพรว่าขันเหล่านั้นจะหยาบจะละเอียดจะเร็วจะประณีตจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตามมันก็เป็นอย่างที่มันก็เป็นเพราะจุดใหญ่ใจความที่มันเป็นมานขึ้นมาได้ก็เพราะใจเรามีกิเลส ที่เป็นเหตุให้ไปยึดมั่นถือมั่นในขันเหล่านั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราดังกล่าวเพราะรูปผูมีพระเจ้าจึงรับสั่งต่อไปว่าขันทั้งห้าเหล่านั้นก็สักแต่ว่าขันห้ารูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าสัญญาอะเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณ ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อันเรอทั้งหลายพึ่เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ซึงก็ะมรยมการที่จะขจัดมานระดับนี้ได้ปริมาณของปัญญาต้องสูงพอถ้าจะไม่อย่างนั้นแล้วจะขจัดแต่อย่างเพราะความยึดติดในตนนั้นจะเป็นความยึดติดที่เหนียวแน่นมากคือสังเกตว่าแม้การปฏิบัติที่ ไปเรื่อยไปบรรลุถึงฌานระดับต่างๆจนไปถึงเป็นสัญญสาสัตว์ไปเราเรียกว่าพรมรูปฟักมันก็ยังยึดติดอยู่ในรูปเรียกว่ายึดติดในความเป็นตนเป็นของตนถึงสามารถดูได้สังเกตได้ว่าอจิตที่ไปยึดถือในตนเนี่ยมันแรงแะอะไรถ้าไม่เกี่ยวข้องกับตนแล้วความยึดถือก็จะไม่แรงแต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับตนแล้วความยึดถือก็จะแรง เันาตรงนี้ที่เป็นมารก็คือการที่จิตไปเกาะเองจิตวางตรงไหนก็ไม่เป็นมารตรงนั้นจิตเกาะตรงไหนก็เป็นมารในตรงนั้นดังที่พระเจ้าทรงสรุปไปว่ากล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถรือมั่นในขันธ์ห้านั่นเองเป็นความถุกที่ส่วนมัจจุมานเนี่ยที่จริงมันเป็นสภาวาธรรม มาตัดรอนชีวิตของบุคคลให้ตายลงไปถึงว่าที่จริงแล้วมานเหล่านี้ก็พูดกันยากนะเพราะชีวิตนั้นมีความตายเป็นธรรมดาตัวชีวิตเองเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายนั้นเป็นของเที่ยงไม่ว่าจะเกิดแก่คนทุกๆคนแก่สิ่งทุกๆสิ่งแก่สัตว์ทุกๆชีวิต แต่ถ้ามองในแง่ของเป็นมารก็คือช่วงโอกาสหรือขณะที่คนเหล่านั้นจะกระทาความดีได้แต่ถูกตัดรอดไปโดยความตายยจากความตายที่เกิดขึ้นแก่คนซึ่งกําลังจะเตรียมจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าตายไปก่อนงานนั้นก็ค้างไว้ก็ไม่ได้ทำํำอานนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาร แต่คุปพึงสังเกตว่าการที่พวกนี้จะเป็นมารมาตัดรอนการกระทําความดีเหล่านั้นได้ก็เนื่องจากกิเลสเราอย่างมากนั่นเองท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งที่ความตายจะทําลายไม่ได้ตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้บรรลุมรรคผลสำนวนมาลีท่านใช้คําว่าปัจจิมภาภวิกษัตริย์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้าย พระโพธิสัตว์พระพุทธเจา้าตอนมันเป็นทุกขะรกิกยาเป็นสังเกตว่าที่จริงน่าจะตายเพราะว่าประสบความทุกข์ทรมานมากแต่ว่าคนประเภทนี้คนระดับนี้จะต้องไม่ตายนอกจากว่าบรรลุอรหันต์เป็นพระหันแล้วจึงจะตายแต่ว่าตายในช่วงนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรคือไม่เป็นมารอะไรประท่านจะละมารไปแล้ว โตยเพะประวัติของพระเทระบางรูปที่ต่อมาเป็นพระหรันนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้แต่ท่านก็อยู่ได้เขาเรียกว่าเป็นบารมีธรรมก่อให้เกิดเป็นความสมเพชโด้วยการปกแผ่แห่งญาณคือบารมีธรรมเหล่านั้นมาคุ้มครองเอาไว้เช่นพระภาคุระซึ่งเป็นพระธทระที่ เกิดมาชาติหนึ่งไม่เคยป่วยเลยแล้วก็มีอายุยืนมากเป็นพิเศษ็นถึงร้อยหกสิบปีท่านเกิดมาก็นนำไปอาบน้ำชำระร่างกายริมแม่น้ำอจิรพดีถูกปลาใหญ่คุบเข้าปากไปดูแลน่าจะตายแต่ก็ปลานั้นเกิดไปติดกวนที่เขาดักไว้ข้างล่างเขาก็กู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่าก็ไปเจอเด็กยังมีชีวิตอยู่ ในสุดเมื่อท่านเติบโ ต, ตขึ้นมาก็ออกปวดหรือพระสังกิตเทระที่เป็นประหัรอีกรูปหนึ่งองนี้ท่านก็ตายแม่ท่านตายก่อนในขณะที่ท่านอยู่ในคันคนก็ไม่รู้ก็นำไปเผานะืว่าเด็กตายแล้วแต่ปรากฏว่าโดยบา ร, รมีธรรมของท่านนั้นปกแผ่คุ้มครองรักษาชีวิตเอาไว้ท่านก็ไม่ตาย จนต่อมาสลดใจในชีวิตของตัวเองเมื่อทราบประวัติความเป็นมาแล้วก็ออกบวชเป็นพระหันไปในที่สุดคือออกบวชตั้งแต่เป็นเด็กๆนี่แสดงเห็นว่าเอาก็จริงแล้วมานคือความตายนั้นไม่สามารถที่จะตัดรอนคนซึ่งกำลังใจรับผลสำเร็จได้หากว่าปริมาณของกิเลสของท่านเหล่านั้นได้ลดลงไปจนถึงจุดที่เรียกว่าหมดทิ้นไป รั้นมาลประเภทนี้ถ้าหากว่าเราลดกิเลสลงไปได้แม้ระดับที่ไม่ถึงก็ตัดกิเลสขาดเพราะนั่นก็ขอให้เกิดปัญญาพินิจพิจารณาที่จะหาประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้โดยไม่ใส่ใจที่ความตายว่าจะมาถึงเมื่อไหรแต่จะใส่ใจอยู่ที่ปัจจุบันว่าเราจะทําอะไรจะทําอย่างไรทําไปแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไง เพราะในแง่ของสัจจะชีวิตจริงๆชีวิตนั้นไม่ได้ถูกกำหนดว่ามีอายุนานเท่าไรแต่อยู่ที่บุคคลเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตไปอย่างไรเป็นประการสแคัญแต่นั้นในศาสตร์สวครค์แข่งรบบพระธรรมบุตรพระเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องทีเกี่ยวกับชีวิตไปในแต่ละข้อหลายๆข้อเป็นอันมากเช่น พระสั่งว่าบุคคลแม่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ถ้าไม่มัวมเอาประมาทแล้วแต่ถ้าบุคคลแม่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวมอาประมาทแล้วก็สู้คนมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ไม่มัวมเอาประมาทไม่ได้จะเป็นการแสดงเห็นว่าคนหนึ่งอยู่ตั้งร้อยปีแต่อยู่ด้วยความประมาทคนหนึ่งอยู่เพียงวันเดียวแต่เองแต่ไม่ประมาท สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนโดยอาศัยความไม่ประมาทด้นเองให้ประสบความสุขในระดับต่างๆจนถึงบรรลุมรรคผลนิพานได้เพราะจริงๆแล้วนิพานเป็นเรื่องขนาดจิตเดียวเท่านั้นเองหรือบางครั้งก็จะอาจจะใช้ปริยายอื่นเช่ น, นแสดงว่าบุคคลแม้มีอายุอยู่ตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นบทแห่งความเกิดดับแล้วก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่เพี ย, ยงวันเดียวแต่เห็นบทแห่งความเกิดดับไม่ได้ คำว่ บ, บทแห่งความเกิดดับนั้นก็คือจเจริญวิปัสสนากรรมฐานดูสังขารทั้งหลายในแง่ของความเกิดดับคราวนี้เพิ่งสังเกตว่าแนววิปัสสนากรรมฐานนั้นที่จริงก็อย่างที่มาสูตรกันมันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานเป็นสวดวชราตามมหิจรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รวงพ้นความแก่ไปได้นันก็เป็นอาการของวิปัสสนากรรมฐานก็พิจารณาในแง่ของความไม่เที่ยงคืออนิจจตาของชีวิต ก็มองเห็นเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มองเห็นเป็นความเกิดดับแล้วก็มองเห็นเป็นความดับที่ต่อเนื่องกันไปปัจจที่เห็นความเกิดดับได้ในละักษณะนี้ก็แสดงว่ากิเลสได้ลดน้อยถอยกำลังลงไปจนไม่มีอิทธิพลเหนือใจแต่ในสุดกิเลสเหล่านั้นก็ถูกละไปท่านเหล่านั้นก็หลุดรอดจากอำนาจของมัจจุมาลไปอย่างแท้จริง การต่อไปคือพวกเทพบตุตมานั้นเป็นสังเกตว่าเทพบตุตมานส่วนส่วนหนึ่งส่วนจริงๆก็คือส่วนเป็นเทพที่เป็นอันธพาลหรือว่ามีความริษยาแต่เทพแบบนั้นยังไงไงเราก็ไม่เคยเจออะไรทิ้งที่น่ากลัวก็คือคนไร้คิดคนรอบข้างที่มีความรู้สึกในการกระทําที่เป็นตัตรู อาจจะด้วยความริษยาด้วยความแข่งดีด้วยความอาฆาตพยาบาทโดยการขัดแย้งผลประโยชน์อะไรต่างๆกันต่ผู้ือสุบสรุปรวมง่ายๆก็คือปาปะมิตรหรือว่าคนพาณันเด็กคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนแม่ครบเอาไว้ในมงคลในสุด ถึงก็หมายความว่าถ้าสามารถติเลี่ยงไม่เขา้าเกี่ยวข้องไม่ร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์ไม่กินอยู่ไม่กินร่วมอยู่ร่วมไปร่วมนอนร่วมกับบุคคล น, นั้นได้ก็ เ, เป็นการดีแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆคงทําได้ยากเพราะยังไงไงชีวิตเราก็เกี่ยวข้องกับคนมากแม้แต่ภ า, ายในครอบครัวลักษณะนิสัยของคนก็ไม่เสมอกัน มากคนมากเรื่องมากความคิดมากปัญหาควรทำยังไงจึงจะไม่ถูกครอบงามด้วยอานาจของคน่านเหล่านั้นโดยพื้นฐานจิตที่สร้างความรู้สึกต่อคน่านนั้นให้มีเมตตาจิตคืออย่ามองด้วยวความรังเกียจอย่ามองด้วยความไม่พอใจหรือด้วยความโกรธเพราะจะเห็นว่าการมองแนวนั้นเป็นการเพิ่มกิเลสให้เกิด้น ข้อ น, นี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมือ่อกเราเคยสูบบุหรี่มาแล้วตรอมาเลิกบุหรี่ได้ปัญหาประการต่อไปเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าคุณภาพทางจิตวิน ญ, ญาณของเราสูงขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่การมองคนซึ่งสูบบุหรี่ในลักษณะใดถ้ามองด้วยความรังเกียจะจะเห็นว่าใจในขณะนั้นร้อน เป็นปฏิฆะเป็นอารติเป็นกิเลสสายโทสะเป็นการร้อนโดยหารเรื่องให้ร้อนบุรีนั้นก็สิ้นทรัพย์อาจจะบันทรอนสุขภาพพลานาใหม่ซึ่งก็ลาไปได้ก็ดีแต่อาการมองคนอื่นที่สุบุรีในลักษณะหงุดหงิดอย่างนั้นมันก็เพิ่มกิเลสคนทักล้สนในมองในแง่เมตตา คนผ่านนั้นจึงต้องมองในแนวของเมตตาคือปรารถนาดีต่อเขาแน่นอนเราคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้ยากแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือรักษาใจเราไว้ไม่ให้ไปเอาความไม่ดีของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องบันทอนสุขภาพจิตของเราในขณะเดียวกันก็ ดีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นเท่าที่จะทําได้สมมติว่าต้องเกี่ยวข้องจนอยู่บ้านเดียวกันในสถานการเดียวกันจําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกันโดยพื้นใจที่มองเขาด้วยเมตตานั้นทําให้เราไม่หงุดหงิดราคาญเมื่อเห็นเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาแสดงอะไรออกมาเราก็ต้องข่มใจห้ามใจเอาไว้ ฉันออกมาในรูปศพประมาทดูถูกดูหมิน่นของผู่ขู่ฆ่าอะไรก็ต้องพยายามข่มใจอาข้างใจเอาไว้ไม่โต้ตอบไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบไม่ประทุษร้ายตอบในแนวนี้ก็แล้วแต่จะคิดว่าทํำยังไงจึงจะยกจิตขึ้นมาไม่กลื้กรัร่วกับสิ่งเหล่านั้นได้ในแนวความคิดโบราณของไทยๆที่ท่านสอนเอาไว้ที่จริงก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่อย่าคิดในแนวที่เป็นอติ ม, มานาะคือดูหมิ่นคนอื่นดูยกตนของท่าน แต่มองในแง่ของการสูญเสียเวลาการไม่คุ้มค่าการไม่ได้ประโยชน์หรือเป็นการลดตัวลงไปต่อสู้กับคนซึ่งตกเป็นทาสของกิเลสอยู่แล้วในขณะนั้นเราเองยังไม่ตกเป็นทาสกิเลสเขาตกเป็นทาสกิเลสแล้วถ้าเราลดตัวลงไปต่อสู้ก็แสดงว่าเราก็ยอมเป็นทาสของกิเลส เ, เขาด้วยดั้นการพยายามข่มใจข้ามใจความอดกลั้นความอดทนต่อเรื่องเหล่านั้น ต่อการกระทำในลักษณะ น, น, นั้นเอาไปได้มันก็กลายเป็นการบั่นทอนความรุนแรงของมาออกไปไนดะ้แต่มีเขามีการเจิญจวนชักชวนในลักษณะนนยั่วยวนก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบวิ๊นิพิจนาะต่อตีนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป